พระธรรมเทศนาแผ่นที่107ดลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดดุรีรัมแสดงธรรมในวันที่22เมษายน2560มีชื่อเรื่องว่าวังคีสะข้อหัวกะโหลกพระอรหันต์ก่อกราบคุบายอาจารย์หลวงปู่ทั้งสององค์ที่เป็น ผู้เมียอยู่พันษามากกว่ากระผมแล้วก็ขอโอกาสจากพระเทรานุเทระที่มาร่วมในงานในวันนี้ให้กระผมได้เป็นองค์แสดงธรรมกระผมจะเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์เพื่อจะแสดงธรรมในงานในวันนี้คือพิพ ธ, ธีในพิธีวันนี้เป็นพิธีเททอง พระพุทธศีลาสุโ ข, ขทัยสูงห้าเมตรเกเซนติเมตรฉลองอายุวัฒนะมงคลครบรอบ69ปีของท่านเจ้พระคุณกิติสารโสพลวงเล็บบุญเลิศสุจิตโตเจ้าคณะจังหวัดหนองคายธรรมยศวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสอง เมษายนพุทธศักราช2560นณวัดอรัญญาวาสีตำบลท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายแล้วก็มีคณะทัทธาญาตโยมที่มาร่วมงานมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายท่านชูชาตินพวันแล้วก็คณะผู้พิาาพากษา และผู้พิภาคสาถมซบสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนคปรปฐมและทีมองหงพ่อมองเห็นนั่นคือเจ้าของสำนักพุทธใหญ่ที่นั่งอยู่นี่แล้วก็คงจะมีหัวหน้าส่วนราชการลาหลายหมู่ลหลายเหล่าไปมาแสดงออกเึรื่องมุทิตาสักการะในท่านจกคุณของพวกเรา อ, อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าหลวงพ่อของเราเจ้าคุณของเราเนี่ยก็อายุ69ปีน ะ, ะก็มากแต่ก็ยังเป็นน้องหลวงพ่ออยู่นะหลวงพ่อนี่72ในคณะสัตย า, า ญ, ญาณโยมท่าน69น ะ, ะแต่พู้ส่วนราชการตั้งแต่ผู้ว่าหวัวหน้าส่วนราชการเนี่ยแปลว่าเป็นน้องน้องของหลวงพ่อทั้งหมดพระเหตุไรเพราะยังรับชัดราชการอยู่ใช่ไหม หลวงพ่อนี่เป็นเป็นรุ่นพี่ <c oughs> ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งพวกเราได้มาร่วมกันแสดงออกซึ่งมุทิตาสักกะในงานวันเกิดของท่านจุกูลของพวกเราเอปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งมีครั้งนี้แหละมีวันเดียววันนั้นพวกเราจะได้มาร่วมมารวมกัน แสดงออกซึ่งน้ำใจทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็ดูลกอบอุ่นอุ่นหนาฟ้าข้างเต็มไปหมดแต่หลวงพ่อเองจะพึ่งเข้ามาในงานแล้วก็จะเป็นองค์แสดงธรรมในแนวความพิษของพระพุทธศาสนาแต่วันนี้กับผมเองอาตมาภาพเองก็ จะเน้นหนักในเรื่องตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญแล้วก็จะเน้นหนักไปในทางเรื่องจิตภาวนาสําหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านจะเรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีอันนั้นครูบาอาจารย์ก็คงจะเคยพูดเคยกล่าวมาแต่ว่าหลวงพ่อเองมามาพิจารณาดูแล้วว่าถ้าหากวพวกเราท่านทั้งหลาย อย่างสงสัยว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ถ้าพวกเราคิดว่าตายแล้วศูนย์การทำคุณงามความดีอย่างอื่นก็คงจะไม่หนักแน่นก็ทำไปอย่างนั้นหละยังมีที่รับยังมีที่แจ้งเพราะว่าคิดว่าตายแล้วศูนย์เพราะว่าตายแล้วไม่มีใครมาบอกมากล่าวแต่ในหลักของพุทธศาสนาแล้วท่านยืนจัดยืนยันร้อยทางร้อยว่าตายแล้วต้องเกิดอีกแน่นอนนะหลวงพ่อจะ เอาเรื่องเมื่องมากล่าวหรือเปรียบเทียบให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังถ้าพวกเราคิดว่าตายแล้วสูญก็ไม่จําเป็นจะต้องทําคุณงามความดีก็เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายคิดว่าวันพรุ่งนี้ไม่มีเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเก็บเงิน เ, เก็บหอมรอมริบไว้ในวันนีเ้เพราะมันมีเท่าไหร่ก็กินทั้งหมด เ, เพราะวันพรุ่งนี้ไม่มีแล้วเก็บไว้ให้งโงอทํทำไมถ้าเก็บไว้ก่อน ให้คนอื่นให้คนอื่นกินถ้าบอกคิดว่าวันนี้วันพรุ่งนี้ไม่มีแต่ทีนี้ในเมื่อวันพรุ่งนี้มีพวกเราจะทำยังไงพวกเราจะทำยังไงเราต้องเก็บหอมอดรอมริบเอาไว้เพื่อจะได้เอาใช้ในวันพรุ่งนี้ืัอลืนนี้วันต่อไปนี่ก็เหมือนกันการสั่งสงคุณงามความดีเขนาลักษณะนั้นแหละคณะทายาทโยมแล้วตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นนีั้นทนี อันนี้กล่าวปารบเรื่องงานตอนนี้ไปจะกล่าวทำแสดงพระธรรมเทศนาตามที่ได้รับนิมนต์เป็นผู้แสดงในวันนี้นะโมตัสสะปะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัณฑิตานันจะเซวนาปูชาจะปูชนียานั่งตีติวันนี้นะว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่คณะพวกเราคณะสัายาติยมพร้อมพระสงฆ์ได้แสดงออกซึ่ง ความกระตัญยูส่วนหนึ่งแล้วก็แสดงออกซึ่งมุทิตาสักการะอีกส่วนหนึ่งในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณกิติสารโสพลว่งเล็บบุญเลิศสุจิตโตเจ้าคณะจังหวัดหนองคายธรรมยศที่วัดรัญญวาสีอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายณนะวันที่22 ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไปแล้วนานแต่ถึงอย่างไงพวกเราได้มาแสดงออกซึ่งมุทิตาสักการะในท่านเจ้าคุณอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาสิีเบื้องต้นว่าบัณฑิตานั้นจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังบัณฑิตานั้นจะเสวนาคล้ายๆไปให้พวกเราท่านทั้งหลาย เสวนาและกคบกับผู้ที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ในหลักพระธรรมคําคสอนของพระเจ้าท่านไม่ให้คบกับภาละชนคนชั่วท่านไม่ให้คบให้คบแต่คนดีบัณฑิตานันเสวนาปูชาจะปูชนี้ญานังบูชาบุคคลที่คุณบูชาบุคคลดีคนที่ควรจะบูชาแล้วก็เคารพสักการะบูชาบุคคลดีเราจะไม่เคารพ คนเร็วคนชั่วเราจะไม่ให้ความแสดงความเคารพกับคนเร็วๆคนชั่วๆเราจะให้ความเคารพกับคนดีแต่มาย้อนถึงผู้ที่ว่าบัณฑิตานสิกะเสวนานะให้คบกับบัณฑิตนักปราชญ์เพราะใจของเราเนี่บางทีก็คิดดีนะจต่าญาติโยมลูกหลานบางทีก็คิดดีบางคนบางทีก็คิดชั่วนะ มันมีทั้งดีมันมีทั้งชั่วในใจของเราแต่ถ้าวัดใจช่วงไหนที่มันคิดดีจิตใจที่เป็นกุศลสร้างสรร์มีสัมมาคารวะเป็นสัมมาทิฏฐิในแนวความคิดพวกเราก็ควรจะให้ความเสวนาหรือว่าให้ความสำคัญคบค้าสมาคมในจิตขณะจิต น, นั้นๆถ้าวันไหนชั่วขณะไหน ใจของเราคิดไปในทางที่ชั่วที่เลวมันคิดไม่แต่มีแต่พยาบาทอาฆาตจองเวรจองกรรมของคนอื่นคิดไปในทางที่เป็นอกุศลอันนั้นใจของเราเป็นเป็นพาละชนไม่ใช่บัณฑิตเใช่แล้วพวกเราไม่ควรจะครบในจุดนั้นต้องหาเหตุและผลกำจัดในความชั่วในสิ่งเรื่องนั้นๆ น, น, นี่แหละขอให้พวกเรา ท, ทุกท่าน ให้สังเกตดูตนเองไม่ใช่ว่าจะมีแต่บัณฑิตนักปราชญ์ภายนอกไปใช่นะภายในใจของเราก็มีความดีความชั่วมันออกไปจากใจของเราทั้งหมดให้สังเกตตัวนี้อีกจุดหนึ่งจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมากกว่าบัณฑิตและนักปราชญ์ภายนอกนะถ้าบัณฑิตนักปราชญ์ภายในนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญกว่าให้พลนั้นขอให้พวกเราให้ดูย้อนดูตนเอง อยู่เสมอเสมออย่าอย่าไปห ล, ลงลืมตัวนี่แหละนี่แหละห ล, ะลักธรรมคำสอนของพุทธะอีกส่วนหนึ่งเพราะหลักธรรมคำสอนของพุทธะพระพุทธเจ้าแน8 4พันพระธรรมคันมากมายนะครับท่านศาัทาญาติโยมสุดแท้แต่พระสงฆ์ท่านผู้ใดจะจิบยกในธรรมคำสอนเรื่องนั้นๆเอามาบอกกล่าวแมแนะนำหรือมาสาธกให้กับพวกเราให้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้น ในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็ประกาศพระธรรมหมีมากมายแต่วันหนึ่งพระองค์เสด็จไปที่ขอบซาในป่าพระองค์ได้กวาดใบไม้ประดู่มากํามือหนึ่งจากนั้นท่านก็กำไม้ใบไม้ประดู่ขึ้นมาท่านว่าดูก่อนสงทั้งหลายพระภิปีพระภิกษุสงฆ์สงฆ์ตั้ง500นะ ตามเสด็จไปที่พระองค์จะแสดงธรรมดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายใบไม้ประดูรลายใบไม้ประดูดอยู่ในกำรร ม, มือของเราเนี่ยกับใบไม้ประดูที่มันหลงหล่นเกลื่อนกลากไปเนี่ยอันไหนมากกว่ากันพระสงฆ์ท่านถามถามเพื่อให้พระสงฆ์ตอบ เ, ออเพื่อเป็นสาธกเป็นเรื่องราวนะพระสงฆ์ท่านหลายกระราบทูลพระพุทธเจ้าว่าใบไม้ในกำรร ม, มือของพระพุทธองค์นะ่ะหน่อยนิดพระเจ้าค่ะ ใบไม้ประดูที่มันหล่นเกลื่อนกลาดมากมายมากราาพระเจ้าค่ะพระองบอกว่านี่แหละดูก่อนสงทั้งหลายพระธรรมคําสอนหรือความรู้ของเราตถาคตนะ่ยที่ได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโพในวันนั้นนะอา่าที่วันแรกนะ่ยถ้าจะเปรียบเทียบเราเหมือนใบไม้อยู่ในเกลือในแผ่นดินเรารู้ทั้งหมดแต่ว่า เราไม่ได้นำมาสั่งสอนพวกเธอท่านทั้งหลายแต่ที่เรานำมาสั่งสอนนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาสุขเป็นไปเพื่อเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพน้นหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารนี่หละเรายิบยกเอาจุดนั้นมาบอกกล่าวแนะนาพวกเธอท่านทั้งหลาย แต่วิชาอย่างอื่นที่เรารู้มีมากแต่มันไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษอีกต่างหากเนี่แหละหลวงพ่ออะไรมาพิจารณาดูอย่างยกถวายทุกวันนี้อย่างที่ว่าจะมีการห้าหัน่นการกระหึม่มกระหึ่มสักการยะพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นแต่หลวงพ่อเองก็อยู่ในป่าก็มีคนมาพูดมาเกล่าวใหเ้เหมือนการเอาพวกคนทั้งหลายก็กลัวใช่ไหมถ้าพระองคบอกว่า อ, อนี่แหละวิชาตัวนี้แหะ ในหลังของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในวันนั้นในเมื่อพระ อ, องค์ได้ปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณและก็ได้อาสาวัคยญาณในวันวันนั้นแต่พระธรรมคำสอนของพุทธที่พระ อ, องค์ได้ตรัสรู้นั้นพระ อ, องค์มีแต่ มองดูสัพพสัตทั้งหลายจะทำยังไงสพัสพพสัพพสัตทั้งหลายจะมีความสุขกายสุขใจการอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละต่อกันต้องมีกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันจะได้เบียดเบียนกันจากนั้นแนวความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิจะคิดยังไงคินจะคิดไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นจากนั้นก็เห็นอันในจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลาย และผู้ลุดพ้จากอาสวะกิเลสเนี่ยอันนี้คือเป็นแนวแถวของพุทธะนะแต่พิชชาทางโลกอย่างไอชตรัยเนี่ยไอชตรัยเนี่ยเขาพอเขาไปเห็นแล้วเขาไปคิดเห็นจิตใจของเขาคงจะเป็นสมาธิเหมือนกันนะเออเป็นสมาธิจิตใจที่นิ่งพอนิ่งเสร็จแล้วท่านก็ค้นขวาจิตใจแนวแน่นิ่งพอนิ่งก็ค้นขวาไปในทางที่เบียดเบียนเออคล้ายๆวทำแล้เบิดปรามนูนยังไง จียเจสังหารคนได้จียจึงเป็นระเบิดปรมาณูได้ผสมประสานยังไงด้วยสารอะไรเขากค่นคว้าศึกษาตอนนั้นเขาก็สําเร็จเหมือนกันนะเขาสําเร็จไปในทางนู้นทำทำทำทำร้ายทําลายทางสังหารแต่จิตใจออกไปจากสมาธิเหมือนกันแต่ว่าทางนี้สมาธิของพุทธานไปทางปัญญาอันนั้นก็ทางปัญญาทางทําลายอันนี้ทางปัญญาทาง ทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขไม่ให้เบียดเบียนกันนี่แหละเพราะฉนั้นอย่างไอ์ไตรัยนะเขาบอกว่ า, าศาสนาในโลกนี่นะถ้าจะให้ข้าไปเจ้านับถือาศาสนานะข้าไปเจ้าจะนับถือพุทธศาสนา เ, เขาพูดอย่างนั้นได้เลยทีนี้เพราะเหตุอะไรเพราะมันออมออกมาจากจุดเดียวกันเพราะมันออกมาจุดหนึ่งมันจุดทำลายจุดหนึ่งมันจุดที่สร้างสรรค์แต่พุทธศาสนาเป็นจุดที่สร้างสรรค์ เป็นจุดที่จะทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขนี่เราออกมาจากใจด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านอันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังเปรียบเทียบว่าอธรรมกับธรรมธรรมคือความถูกต้องร่มเย็นเป็นสุขถวัตธรรมอธรรมคือความทําให้โลกทั้งโลดเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้คือแล้วอะธรรมแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราเป็น พระุทธศาสนกชนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องต้วนว่าในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ในวันเดือนหกเพนนน่ะพระ อ, องค์ได้ตัดรู้เบื้องต้นว่าปุเพนิว่าสานุจติยานแ ล, ลึกชาติผลหลังได้อันนี้ก็คือพระ อ, องค์ทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งพอจิตใจเป็นหนึ่งผ่านความสงบแล้วพระ อ, องค์ได้ย้อนลําลึกถึงอดีตชาติของพระ อ, องค์ พระองค์รู้รายว่าชาติที่แล้วพระองค์เป็นมาอย่างไรและก็ต่อเนื่องสืบเนื่องกันอย่างพวกเราอย่างหลวงพ่อเนี่ยออกมาจากวัดเนี่ยผ่านที่ไหนไหนบ้างแต่ละแห่งก็โหนกันรู้รูผ่านผ่า น, ผ, า น, ผ, านผ่านมาอันนั้นคือแต่ละพบแต่ละชาติแตละพบแต่ละชาติจนมาถึงจุดนี้นะีนี่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านได้ท่านนึกย้อนหลังว่าอดีตชาติของพระองค์เป็นยังไงรู้รายเป็นพันพนัมันห ม, นมนื่นเส้นแสนชาตินะ แต่ละพบประชาติอีกท่าท่านพอถึงเที่ยงคืนอีกท่านก็รู้ท่านพิจารณาด้วยอีกว่าแต่ละคนมานั่งด้วยกันเนี่ยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งด้วยกันแต่ทำไมไม่เหมือนกัน<ม>เออคนหนึ่งเออชัชติปัญญาเฉลียวฉาลาดเอ่องดถามบรรดาศักดิ์สูงสงแล้วก็ความร่งมั่งมีสีสุขต่างกันบางเพอเพอยังมีเอ่อบ้าใบา้เสียจริตหูหนวกตาบอดีกต่างหาก ทำไมมนุษย์เกิดมาเหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันอันนี้พระ อ, องค์ก็มองดูสรรพสัตว์จังหวดจุตูปะปาตะยานการมองดูสรรพสัตว์จุดนี้เนี่ยพระองค์ก็มองดูแต่ละดวงดวงวิญญาณดวงวิญญาณนายกทาอะไรมาบ้างในอดีตในชาติของเขาดูดวงวิญญาณของนายขอเป็นอะไรมาบ้างในอดีตในชาติของเขามองดูละจุแต่ละดวงดวงวิญญาณ มันไม่เหมือนกันการกระทำการคิดไม่เหมือนกันการกระทำไม่เหมือนกันการพูดไม่เหมือนกันในเมื่อคนแต่ละคนในกรเนี่ยทำกรรมนั้นส่วนนั้นหนักไปในทางขโมยในในขอไปในทางต้นข่าในคอเนี่ยไปในทางดื่มสุราเนี่ย อ, อย่างนี้เป็นต้นคือการกระทำแต่าการคิดการพูด อ, อีกเหมือนกันเเพราะนั้นพระองค์จึงมองทว่าจุตูปปาตายาน การกระทำการคิดการกระทำการพูดไม่เหมือนกันในเมื่อคิดทำพูดไม่เหมือนกันกรรมที่กระทำไปนั่นน่ะทั้งสามทวารทั้งคิดทั้งทำและพูดน่ะไม่เหมือนกัน น, นั่นกรรมทั้งสามกรรมให้ผลแท้เนี่เมื่อคิดจิตใจมัวหมองจิตใจไม่โปผ่งใสจุดนี้ก็เป็นบาปกรรมถ้าว่าการกระทาอันนี้สงบาปกรรมที่ตนเองฆ่าสัตว์ ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมและไปดื่มสุราอันนี้ก็บาปกรรมตัวหนึ่งให้ผลนคนหนึ่งก็พูดเทด็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอพูดยุกยงกระแทงให้รั่วให้ขนทะเลวีวาดกันอันนี้ก็คือเป็นบาปกรรมทางวาจาในเมื่อการได้รับผลจึงได้รับผลไม่เหมือนกันในการกระทานั้นเพราะนั้นพระอดพระพองค์จึง ได้ตัดเป็นพุทธภาสิตเมื่อพระองค์ได้ให้โอวาทปฏิโมกขิกษุว่าอากตังดุกตังเส้ยโยปัชชาตปฏิดุกตังตตกรรมชั่วยาธรรมเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วจะตามสนองตอนนั้นเอ ง, เองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้พระองค์มองเห็นระหว่างการดูแลการเป็นอยู่ของสรรพสัตต์ทั้งหลายอันนี้แหละ อันนี้ก็คือขอให้พวกเราทุกๆท่านนี่แหละคือหลักธรรมคาสองของพุทธะที่ได้ตัดสุโรพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโพตอนหัวข้ามอยู่ปเุเพนิวาสานุสจติญาณพอถึงเที่ยงคืนจุกตูปปาติญาณพอจวนสว่างอาสาวกยญาณจะอาสาวกยญาณคือท่านมองดูพระองค์ทีเีรย้อนมาดูตัวพระองค์เองมองมองดูใจของพระองค์ ใจตรงนี้มาจากไหนท่านก็รู้ว่ามาจากอวิชชาอวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจยาวิญญาณนังอันนี้ก็คือมาจากตัวอวิชชาคือความโง่ใจตรงนี้ออกมาจากความโง่ไม่เลยกว่านั้นไปอีกแต่พอออกจากความโง่แล้วมีพบมีชาติมีชราบรณะโศกปริเทวทุกขโทมลัทสุขในเมื่อมาวนวกวนเวียนเวียนไหวาตายเกิดในวัตรสราสงสาร เพราะอะไรที่นําให้สรรพสัตว์ทั้งหลายบนเวียนตายเกิดเพราะกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสมหะโลภโกรธหลงที่ทําให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บไายในวัฏฏะสงสารนี้เพราะฉะนั้นพระ อ, องค์จึงได้ใช้ตะปะธรรมคือศีลสมาธิปัญญาคือมรรคแปดนั่นแหละสา ม, มาธิิเป็นเบื้องต้นสั ม, มาสา ม, มาธิเป็นสุดท้าย ได้กำจัดกิเลสภายในภายในพระไทยขององค์จึงได้ตัดสรุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์บอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วเป็นอนันตการนี่แหละอันนี้ก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะที่นี่หลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับเรื่องตายแล้วเกิดและตายแล้วสูนมีพระในครั้งพุทธกาลมีพรามยุคุมหนึ่ง มีพรามอยู่กลุ่มหนึ่งชื่อวังวังคีสะวังขีสะพรามนะ เ, เขาอยู่ในเมือง เ, ออเมืองหนึ่งแต่นี้เขาก็พรมามคนนี้พอเกิดขึ้นมาแล้วนี่เขาคงจะมีญานรัศนะของเขาส่วนหนึ่งหรือมีความรู้ของเขาส่วนหนึ่ง เ, เป็นค่าๆแบบเป็นเซนส์ของเขาหรือว่าเป็นวิชาความรู้ของเขาในส่วนหนึ่งแต่นี้พอใหญ่ พอเขาเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะรู้อะไรว่าสีสระของไครไปเกิดที่ไหนเขาจะเขาใครอยากจะรู้เนี่ยสมมุติว่าเอาสีสระพวกควายมนุษย์อะไรมาก็ตามนะมาเขาจะใช้คาถาใช้คาถาแล้วก่าเาหนดจิตนะกาหนดจิตเคาะป๊อกป๊อปอแล้วก็ถามว่า กระโหกนี่จะไปเกิดที่ไหนเขาก็บอกกระโหลกนี่ไปเกิดเป็นสัตว์ในฉันไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นสวรรค์ชั้นพรมเขาจะทํานายได้หมดเทนีก็โอเป็นวิชาหากินส่วนหนึ่งเขาก็มีวริวัติไม่มีบริษัทผู้ติดตามทั้ง500เหมือนกันนะแล้วก็ใส่ชุดผ้าสีแดงเป็นเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกภพรักของเขานะให้เขาไปหัวเมืองเล็กหัวเมืองน้อย ใครมาใครอยากจะรู้ว่ายากเพรตัวเองไปที่ไหนเอากะโหลกมาพอากะโหลกมารามผามคนนี้ก็เคาะแหละเคาะแล้วก็ทำนายาแต่ว่าคนสมัยนั้นก็คือความเชื่อความเชื่อเป็นพื้นฐานาจากนั้นก็ทำนายไปเรื่อยแต่ก็ถูกนะทีนี้ก็มาถึงกรุงสาวัตถีเท่านีนาพรามั้ง0้าร้อยเห็นคนพุทธบริษัทไม่ไกลไปกราบพระพุทธเจ้าตอน ตอนเช้าเขาไปถวายอาหารตอนบ่ายเขาก็ไปฟังถือดอกไม้ทูบเทียนไปฟังธรรมแต่วังคีสะกับหมูพวกเพื่อนออพวกหน้ามา้าเท่าไหร่เอ้ยคนในโลกนี้เก่งเหมือนอาจารย์ของข้าไม่มีหรอกฟังคีสะพรามเลยเลิศประเสริฐที่สุดรู้ทั้งหมดใครไปถวัลท์ชั้นไหนชั้นไหนนี่มาถามที่นี่พุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าบอกเอ้ย ใครจะไปเรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าได้แอบังคีสพามแอบสุไม่ซิวเชี่ยวหนึ่งหรอกเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจเอ๊ะทำไมคนไม่สนใจเราน่าจะไปดูนะแอบไปดูพระพุทธเจ้าเขาที่เขาว่าเลิศกว่าพวกเราไปดูสิเป็นยังไงแต่นี่พอพราหมณ์หัวหน้าพราหมณ์วังซิก ว, วังกีสาแนะอบกับพาลูกน้องไปไม่กี่คน พระพุทธเจ้ารู้ว่าวังคีสะพราหมจะมาให้จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากนั้พระองค์ก็เอากะโหลกศีรษะกะโหลกพระละหัน์กะโหลกพระอนาคามีกะโหลกพระสกทาขามีกระโหลกพระโสดาบันและกระโหลกผู้ที่ไปสวรรค์กะโหลกที่ไปนรกกระโหลกที่ไปเป็นสัตว์ที่ไรฉานให้เอามาเรียงๆกันแต่นี้ก็ให้วังคีสะพราหมพราหมเธอมาอะไรผมเนี่ย รู้หมดถ้า อ, อยากยากจะรู้ว่าใครไปอยู่สวรรค์นี่จะไปที่ไหนผมเคาะศีรษะผมจะรู้พระองค์เออเอาซิมาซิวังคีสศะเธอทดลองดูซิวังคีศะมากับทดลองเคาะกระโหลกศีรษะเคาะกะโหลกศีรษะสัตติชานก่อนเนี่ยปักปั ก, ปกไปไหนพามกันนึกกําหนดจิต ด, ดูไปเกิดเป็นสัตติชานกระโหลกนี่ พพโพสพุทธองค์ว่าเออชายเพระองค์ยอมรับเอาหลอนี่นะ ก, ะ ก, กน็หลอกในข้อไปข้อไปจนกร ะ, ะโหลกถึงกระโหลกพระหันแคเนี้พระหันพอข้อพักปักพักําหนดดูเงียบไม่มีที่ไปที่มากระโหลกพระหัน์เนี่ยเพราะก็พระหันเข้าสู่ริพานใช่ไหมล่ะอหม่ดับแหมดับศูนย์จนพวกวิญญาณตามไม่ถึงนะพวกกินวิญญาณที่เป็นกิเลสนี่ตามไม่ถึงน่ะ ปอกค อ, อะไรก็เงียบาพามแต่นี้าพามวิงฟังชีสะงงเหมือนกันนะรู้ไหมชีสาอย่างครับไม่รู้ครับพระพุทธเจ้าค่ะข้าองค์ไม่รู้ชีสานี่แต่ชีสระอื่นข้าองค์ภาพองค์รู้ทั้งหมดพระเจ้าค่าเพราะพระ อ, องค์ฟังพระพุทธเจ้าว่าวางังชีสะเธอไม่รู้เรารู้เนี่เรารู้ว่าศีสานี้กระโหลกศีสระนี้วิญญาณเข้าไปไหน บอกให้ข้าพระองค์ได้ไหมพระเจ้าค่ะได้แต่ให้ข้าพระจงข้าพระองค์เรียนเดี๋ยวนี้ได้ไหมเธอต้องบวชซะกอ่อนถ้าเธอบวชแล้วเราจะเรียนวิ ช, ชานี้ให้จะสอนวิ ช, ชานี้ให้เพราะนั้นเธอต้องบวชถ้าไม่บวชเราจะไม่สอนวิ ช, ชานี้ท่านี้พราหมณ์วังคีสาก็เลยถ้าหากว่าเราได้วิ ช, ชานี้คือแปลว่าเหยียบแผ่นดินกระเดื่องอันนี้ยังอยู่วิยังอยู่กระโหลกเดียวนี่นะ เราไม่รู้หายเงียบเป็นแปลกกะโหลกเนี่ยอาจารย์เอายอมบวชพอบวช เ, เสร็จแล้วพวกก็สอนกรรมฐานห้าให้เละเกส่าโนมานาคาทันตาตาโจอาการสามสองให้พิจารณาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะวังคีสานะาแต่นี้ก็เขาก็เรียนเรียนกรรมฐานจากพระพุทธญ า, าแล้วก็ทําจิตอย่างนี้นะพิจารณาอย่างนี้ให้เกิดความเบื่อหน่ายอย่างนี้นะให้คลายให้หลุดพ้นอย่างนี้นะ อา่ารวังคีสาก็เรียนตามพอเรียนตามจบแล้วได้สองสาวันพวกลูกน้องบริวารเข้ามาเลยทีเดพอลูกน้องคอยอยู่ข้างนอกเอาจารย์อาจารย์เรียนจบแลอ้อย่างเออย่างยังอาจะเพิ่งเข้ามากวนเดนเราจะเรียนที่อีกซะก่อนไปอยู่นั่นละพอเรียนถึงเจ็ดวันวังคีสากได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์เลยจบเป็นพระหรหันต์เลยเรียนจบแล้ย พอเรียนจบโอ้วิชาของเราเป็นวิชาหากินหลอกชาวบ้านกินเฉย อ, อันนี้เป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าให้เป็นวิช า, ชาตัดกิเลสภายในใจของเราเหมดกิเลสแล้วเราไม่มีไม่จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วในธรรมจากนั้นบริวารก็เข้ามา อ, อ, อาจารย์เป็นไงเออไ ป, ไปไปไปทูตเจ้าจะไปที่ไหนก็ไปนะ เ, เราไม่ศึกละเราจะอยู่ตอดตลอดไป เออไปสู้เจ้าจะไปไหนอ้าวอาจารย์บวชพวกผมก็บวชด้วยแหละๆบวชนะกันเลยลมบวชกับอาจารย์เนี่ยนี่แหละถ้าจะพูดให้ฟังแล้วคนในครั้งพุทธกาลเขาก็เหมือนสนเทหรือว่าความคิดเห็นเหมือนกับพวกเราไม่แพ้กันเหมือนกันนะะกนัตธาญาจโยมในในความรู้สึกนึกคิดในคนสมัยนั้นตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญจนมีเรื่องใน ใ น, ใ, น ใ, นในครั้งพะในครั้งมาในพระไตรปิฎกในครั้งพุทธการพระวังคีสเถระนะนี่แหละอันนี้ก็คือมาในาพระไตรปิฎกแล้วท่นี้มานึกย้อนถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราจย่งสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เส า, เาแต่ผมงพ่อเองทราบข่าวว่าวัดอรัญญาวาสีของพวกเราเนี่ยเป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานส่วนหนึ่งนะคณะทายาิโยม หลวงปู่เทศหลวงปู่ต่างๆที่เป็นพระเถระมหาเถระผู้ใหญ่เคยผ่านวัดอรันเนี่ยมาเกือบทุกองค์มาจำาัรรษาที่นี่นนะแล้วกับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่ของอำเภอท่าบอ่อของพวกเราได้ทำบุญกับพระมหาเถระท่านเหล่านั้นจนมาถึงปู่ฝังจนมาถึงลูกเถิงหลานทุกวันนี้นะ เนี่ยวัดอรัญวาสีแห่งนี้แหะเป็นวันเป็นวัดของต้นตระกูลของพระกรรมฐานถ้าหลวงพ่อพูดขึ้นมาน่ยท่านหลวงพ่อหลวงปู่คงฤทธิ์ของเราหลวงปู่ไทยของเรานะหรือท่านจบคูลของเรานี่คงจะอธิบายได้คงหลวงพ่อคงจะไม่พูดเกินไปนะเพราะหลวงพ่อได้สืบสอบประวัติมาอย่างนั้นนะนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงปู่มั่นต้นตระกูลของพระกรรมฐานหลวงตกรหลวงปู่เสาเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นอีกที่นึง แต่หลวงปู่เสาท่านไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงธรรมนะแต่หลวงปู่มั่นท่านสอบแสดงความคิดเห็นสอนแนะนําสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเพราะฉนั้นหลวงปู่มั่นจึงมีลูกศิษย์ลูกหาถึงเยอะแยะไปหมดเลยหลวงปู่เทศก็ใช่หลวงปู่เขาหลวงปู่พั่นหลวงปู่ฝันหลวงปู่โวพาหลวงตามหาบัวหลวงปู่อ่อนหลวงปู่แหวนก็ว่าพระทั่วประเทศไทย สายหลวงปู่มั่นเป็นมาจากหลวงปู่มั่นที่ได้รับแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวแต่หลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรทนี่แหละอยากจะมาให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาที่เรื่องภาวนาของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสอนให้ภาวนาพุทธโธนะคณะสัตยาิโยมลูกหลานคือหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าถ้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างพระพุทธเจ้ามันหลงมันลืมมันเผลอมันหลงซ่อนหลงเงื่อนได้ง่าย ตอนนันให้สามทับกับพุทธโธด้วยนะเวลาหาย ใ, ใจเข้าบริกรรมพุทธหาย ใ, ใจออกบริกรรมโทพุทธโธ mm hmm. การกําหนดพุทโโนทําอย่างไรหลวงปู่ท่านกับเปียบเพียบให้ฟังว่าเหมือนเรายืนอยู่ข้างประตูนะยืนอยู่ข้างประตูเวลาคนผ่านประตูเข้ามาเข้ามาข้างในสารานไม่ต้องตามไม่ต้องตามคนเข้ามาแล้วเวลาคนเดินออกไปข้างนอกอย่าไปเติมตามคนออกไปให้รู้ว่าคนเข้าให้รู้ว่าคนออก นี้ก็เหมือนกันถ้าเรากําหนดลมหายใจเข้าออกนะเวลาหายใจเข้าหายใจออกบางคนเราไม่เคยภาวนาเรากําหนดดูแล้วมันไม่รู้จักเมื่อมันเข้ามันออกเมืออ่อไหร่เราให้หายใจแรงๆนะหายใจกระแทกก็แรงๆและกระแทกออกแรงๆลมกระทบที่ไหนค่อยจับที่ไหนค่อยค่อยผ่อนผ่อนลงเมื่อลมกระทบก็ที่ไหนที่ชานจมูกหรือว่าที่ปลายจมูกหรือเพดาน ที่ตรงไหนให้ออจติจับอยู่ตรงนั้นในเมื่อเอาจติจับอยู่ตรงนั้นลมผ่านเขาออกไปเราก็ลมผ่านออกไปไม่ต้องตามลมออกไปมันผ่านไปที่ไหนเวลาลมเข้ามาในปอดไม่ต้องตามลมเข้าไปถึงปอดถึงท้องไม่ต้องตามลมเข้าไปเพียงแต่รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออก น, ะนี่แหละวิธีการกาหนดลมแล้วก็เวลาหายใจเข้ามันผ่านเข้ามาให้บริกรรมพดเวลาหายใจออกบริกรรมโธ พุทโธถ้ถามันยังเผลออยู่มันจะคิดปรุงออกไปข้างนอกให้บริกรรมพุทโธให้ทีพุทโธพโุทโธพโุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้สำทับกับตัวผู้รู้ตัวนึกคิดอยู่กับตัวนั้นจะให้มันเผลอไปที่อื่นอันนี้ก็คือหลวงปูค่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนนะจากนั้นเมื่อเราภาวนาอย่างนั้นเอาใส่ใจใส่นะในการภาวนาใจของเราจะเข้ารับใจของเราจะเข้าสู่ความสงบจิตใจของเราจะแนง พอนิ่งเป็นหนึ่งจิตใจของเรารวมอย่างที่พบอพูดในเจ้าที่ท่านว่ารวมจิตใจรวมเป็นหนึ่งนว่าปุเพนิวาส า, านุสติญาณแต่นี้จิตใจของเรารวมจิตใจนิ่งสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตใจนิ่งสติเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นจิตไม่คิดไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่ศาสจิใจเนิ่งไม่ ร, ไรับรู้ทางกายอีกต่างหา เสียงอะไรเสียงผู่คนเสียงอะไรไม่รับรู้ทั้งนั้นจิตใจอยู่เป็นเอกเทศนี่แหละจากนั้นก็ถอนออกมาในเมื่อถอนออกมาเราจะรู้ได้ว่ากายกับใจใจกับกายนะเป็นคนละอันกันเลยชัดเจนแท้เลยเพออราะอหรเพราะใจมันคือตัวผู้รู้ถือรวมสงบลงเป็นหนึ่งคือร่างกายนะีคค่คืออันหนึ่งแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายนะท่านจึงให้ เป็นพุทธภาสิตว่ามโนปุพังขมาธรร ม, มามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละหลักของพุทธศาสนาท่านในความเรื่องเรื่อง เ, ออเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายถ้าได้หลวงพ่อเอกมาเปรียบเทียบให้กับคณะทธาน ญ, ญาติโยมได้ฟังว่ากายกับใจนั้นเป็นอย่างไรสมาธิกับ สมาธิกับจิตจิตกับกายมันเป็นยังไงหลวงพ่อเลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าร่างกายเนี่ยเหมือนกับรถนะจะทายาดโยมลรกหลานแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับถ้าเราจิตใจทําจิตใจให้เป็นสมาธิจิตใจให้เนื่องแล้วน่ะเราจะรู้ได้ว่ากายก็คือเหมือนกับรถใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถพระพุทธเจ้าให้ ให้ความสำคัญคนขับรถมากกว่ารถเพราะรถคันนี้มันจะไปได้ต้องอาศัยคนขับถ้าว่าคนขับคนนั้นไปนดื่มสุรากินยาบ้ายามาคัญชาเยาวาฝิ่นเป็นคนนิสัยไม่ดีโมโหโกหกช่วยเป็นคนที่สันดานไม่ดเีเป็นคนภาละชนเมื่อขับรถคันนี้ไปรถคันนี้ก็ อ, อ, อาลวาดไปเรื่อยเกเรไปเรื่อย ทําให้โลกทั้งโลกผู้คนทั้งหลายเดือดร้อนไปไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะโซโฟเฟอร์คนนี้ขับรถคันนี้ออกไปโซโฟเฟอร์ไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเพราะฉะนั้นพระองค์จึงให้อบรมโซโฟเฟอร์อทํำยังไงโซฟเฟอร์จึงมีคุณธรรมศีลธรรมแนะนําให้รู้จักศีลให้รู้จักธรรมให้รู้จักความประพฤติในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องนี่แหละอันนี้ก็คือ ในพระธรรมคำสอนของพุทธะท่านให้ความให้อบรมดวงวิญญาณหรือดวงใจหรือว่าตัวผู้รู้คือโซเฟอร์นั่นหละให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในเมื่อโซเฟอร์ยอมรับปฏิบัติเป็นคนมีศีลธรรมแล้วนี่แหละร่างกายก็ดีไปด้วยมีมารยาทไปด้วยคพราะอะเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วรวยใจแต่ทีนี้ เมื่อร่างกายแตกตายสลายลงไปเพราะร่างกายมันแก่นะ่ะเหมือนกับเราใช้รถพอใช้ไปนานๆเข้าไปมันก็ใช้หลายปีใช่ไหม เ, เครื่องมันก็นลหลวมไปหมดแล้วทีนี้ม่มก็พังในที่สุดนะแต่โซเฟอร์นะ่ออกจากร่างนะแต่ออกจากร่างกายออกจาก ร, รถคันนั้นละ่ะแต่พระพระองค์บอกว่าวินเยอะวิญญาณเโซเฟอร์เนี่ยตายไม่เป็นนะวิญญาณตรงนี้เป็นนักท่องเที่ยวโตโยง ไปเกิดในพบภูมิต่างๆได้พอออกจากที่นี่และออกจากกายของเราแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนอันนี้พระโรมบอกว่ากรรมแน่เลยออกไปย้อนไปหาตัวกรรมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดกรรมคือการกระทําถ้าว่าพวกเราทํากรรมชั่ว เ, เ, เมื่อเราแตกตายสลายร่างกายสลายตายลงไปแล้วเนี่ยใจดวงนั้นจะออกจากร่างเพราะใจ อ, อนั้นออกจากร่าง น, นั่นแหละกรรมดีและกรรมชั่วจะเข้าเป็นเพื่อนสองถึง เข้ามาเป็นเพื่อนสองของใจแต่เมื่อเราตายไปแล้วนะถ้าเราทํากรรมชั่วนะกรรมชั่วจะเข้าเป็นเพื่อนสองพาเราไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์ทีรไรฉันไปเกิดเป็นช้างมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ไปตกนรกได้ทั้งนั้นว่าไงเพราะกรรมชั่วพาไปเพราะตัวเองทํากรรมชั่วนะถ้าว่าพวกเราทํากรรมดีกรรมดีจะเข้ามาเป็นเพื่อนสองอีกเหมือนกันเราจะไปเกิดเป็นมนุษย์ แล้วจะไปเกิดที่ไหนเนี่ยแหละอันนี้แหละอันนี้ก็คือกรรมดีกับกรรมชั่วสรุปแล้วก็คือกรรมชั่วคือคนไม่มีเงินกรรมดีคือคนมีสตังค์มีเงินพอออกจากร่างนี้แล้วคนมีเงินจะไปเกิดไปซื้อสินค้าที่ไหนก็ได้จะไปเลือกเกิดที่ไหนก็ได้ถ้าว่าจิตใจตรงนี้หมดจดจากกิเลสไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจตรงนี้ก็เข้าสู่นิพพาน นิพพานังประมังสุ ข, ขังนิพพานังประวังศูนย์อ่าเป็นชาติสุดท้ายไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกอันนี้คือหลักธรรมคาสอนเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษานะศึกษาอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดและตายและศูนไม่ต้องถามใครให้นั่งสัขัดสมาธิในที่บ้านของเราในที่ห้องแอร์ก็ได้ที่ไหนๆก็ได้ในที่สงบสงบนะ เ, เวลานั่งสมาธินะไม่ต้องให้มีเสียง โทรศัพท์ปิดไว้ก่อนวิทยุปิดโทรทัศน์ปิดแล้วก็ปิดประตูหน้าต่างตางอยู่ตามลาําพังอยู่ในเน่งไม่ให้มีใครมารบกวนนั่งขัดสมาธิแล้วกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออ ก, า จ, ออกอาจากนั้นใจของเราจะรวมสงบเพราะจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นแหละที่เป็นอัปปนาสมาธิเท่านั้นนะเราจะรู้ได้โดยตนเองไม่ต้องถามใครนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนี่แหละเรื่องสมาธินี่แหละเป็นเครื่องบ่งบอก ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสู่นรกสวรรค์มีจริงไหมตายแล้วเป็นยังไงไปที่ไหนนี่แหละเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองเมื่อเราจิตใจของเราเป็นสมาธินะแต่าว่าจิตใจของเราไม่เป็นสมาธิมันจะปุ่งฟุงออกไปที่ไหนเราก็ไม่รู้เพราะสติของเราไม่ทันมันจิตใจของเราไม่ทันจิตเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านที่ได้หลวงพ่อได้นําบอกล่าให้ฟังเน้นเรื่องตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสู่ตายแล้วเกิดแน่นอน แล้วก็บาปบุญคุณโทษมีจริงกรรมชั่วอย่าทําเสยๆดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดืดร้อนเมื่อภายหลังคําว่ากรรมชั่วคํานี้ไม่ใช่จะให้ผลในปรโลกภ า, ภายภาคหน้านะขนา้าพเาทายาติโยมโลูกหลานนะในปัจจุบันนี้ก็ให้ผลนะสมมุติว่าเด็กเกิดมาใหม่เพราะเด็กเกิดขึ้นมาคนนี้นิสัยดีเรียนหนังสือดี เอาใจใส่ในการเรียนการศึกษาดีเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาคนนะ่ะรับผิดชอบออแล้วก็เมื่อทำการทางานก็รับผิดชอบใช้สติใช้ปัญญาใช้ใช้ความสามารถของตนเองหน้าที่การงานของเขาก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆพ่อยอะไรเพราะเขาเป็นคนดีทั้งจติตปัญญาของเขาก็ดีความรู้ความฉลาดของเขาก็เรียบร้อยกิริยามารยาททุกอย่างเขาเป็นคนดี การงานของขอก็ดีแต่ถ้าว่าเด็กเกิดขึ้นมาแล้วเกเรไม่ยอมเชื่อฟังคำใครพ่อแม่ก็ไม่ฟังเผล อ, อ, อๆแล้วกันะอนลวาดต่อใครใครต่อใครผ อ, อในสูตรกิ น, ะกนเหล้าเมายาค้าสมาคมกับสิ่งที่มันเลวๆขนมาใส่ตัวเองหมดพวกเราคิดดูสิว่าในเด็กสองคนคนสองคนนะนะักรรมดีกับกรรมชั่วให้ผลนะ มันต่างกันอย่างไรเหมือนเหมือนกันไหมมันคงไม่เหมือนกันแน่มันคงจะแยกกันเป็นเพราะการกระทำการคิดการกระทาและการพูดมันแยกกันโดยไหนมันแยกกันโดยชัดเจนเพราะนั้นถ้าว่าเราเกิดมาไปไปปโลกภายภาคหน้ามันก็เหมือนกันนี่แหละเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราสิ่งที่มันดีมันเลวยาทําททำแต่สิ่งที่ดี ในเมื่อทำสิ่งที่ดีแล้วความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นกับตัวของพวกเราท่านทั้งหลายและก็เบื้องต้นที่อาตมาภาพได้กล่าวเป็นพุทธพาษิทธิเบื้องต้นว่าบัณฑิตานั่นจะเซวนาปูชาจะปูชนียานังให้ครบบันดิตนักปราดให้ครบคนดีพูดง่ายๆคิดดีทำดีพูดดีนั่นแหละคือบันฑิตนักปราศ ปูชาจะปูชนียานางบูชาบุคคลที่ควรบูชาไม่ใช่ว่าขี้มูลาขี้มาแห้งคนเลวคนชั่วกขาบูชาทั้งหมดไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ยกย่องท่านให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ให้นี่แหละเคารพสักการะบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละควรเคารพสักการะบูชาการกล่าว สมโมธนิยกถฐาในวันนี้เห็นว่าสมงวรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาคนโลกอนุภาพบุญบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้รักเคารพนับถือเลื่อมใสขอให้มาคุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ ปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ ข, ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเธิน